อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะวันอาทิตย์ขึ้น13บสาค่ำเดือน11ปีมะโรงค่ะกะ็ฟังอย่างนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านต้องนึกแล้วล่ะค่ะว่าเออวันนี้วันอาทิตย์ที่2ี พอวันอังคารที่30นี้ดูปฏิทินก็รู้แล้วว่าเป็นขึ้น15บ้าค่ำเดือน11อ่ะปีมะโรงเช่นเดียวกันหลายท่านเฮดีใจเลยนะว่าเป็นวันออกพรรษานะคะค่ะ ดังนั้นในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามผู้ถโอฏขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีค่ะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนั้นท่านเป็นลูกศิษย์เอกเลยนะคะของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตโตภาสูท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟัง ทางบ้านมากราบน้ำพการพระอาจารย์ไพบุญอภิพุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ัสิการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเช่นพานเจ้าค่ะโยมเกินมาเรื่องเกี่ยวกับวันนี้นะเจ้าค่ะอีกสองวันนะเจ้าค่ะก็ออกจะปเป็น<า>วันออกปรรษาละแล้วก็ตอนที่ อ่าเข้าพรรษานั้นเนี่ยโยมก็ในช่วงของการสาักษาหรือสนทนาธรรมะเราในรายการธรรมรารุณเนี่ยอ่าพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของการเข้าพรรษาเ<ช>ยนฟังให้แง่ายคิดด้วยนะเจ้าค่ะว่าเข้าพรรษานั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะทําอะไรดีๆในช่วง3เดือนนี้<ช>แล้วก็ถ้าเผื่อบางคนก็สําเร็จบางคนก็ไม่สําเร็จพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะแนะนําว่าไอ้ที่ไม่สําเร็จนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรจะแก้ไขอ ย, อย่างไรทีนี้พอมาถึงจะออกพรรษาเจ้าค่ะโยม คิดว่าต้องมีประเด็นที่พระอาจารย์จะเมตตา ที่ถึงความสําคัญของวันออกพรรษากันก่อนแล้วก็แง่คิดถัดไปนะนี่ก็แล้วแต่ท่านจะเมตตาที่จะสากัดฉายท่านผู้ฟังได้รับฟังนะเจ้าคะ่ะเพราะว่า3มเดือนที่ผ่านมานะั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งจิตตั้งใจอ่าทานเจตลอดบ้างมังสวิรัตบ้างนะเจ้าคะ่ะบางคนก็อ่าตั้งจิตตั้งใจที่จะไม่ดื่มสุราไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะ่ะท<อ>ีนี้มันกําลังจะครบ3เดือนแล้วเจ้าคะ่ะทีนี้พระอาจารย์จะเมตตาขอให้แง่คิดนี้เถิดเจ้าค่ะนิมเจ้าค่ะคุณเดินใจพูดเหมือนกับว่า แม่ได้ออกจากคุกในวันวันกําหนดวันหลุดหลุดแล้วเนี่ยจะได้ออกแล้วเนี<อ>่ยนะแหม like มีหลายคนคิดอย่างนั้นนะเจ <c oughs> like, ้า ah ค well. ่ะราวันออกพรรษาเนี่ยเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเรนจึงต้องทําความเข้าใจตรงนี้หนึงก่อนนะคือเรื่องของพรรษาเนี่ยพรรษาเนี่ยนะเจามันเป็นเรื่องที่พระเจ้าบัญญัติไว้ให้กับพระสงฆ์ที่อที่ว่าให้อยู่จะพรรษาเนื่องจากว่าจะได้ไม่ไปเหยียบนาข้าวนาอะไรของเขาอะนะเจ้าค่ะของชาวบ้านเนี่ยก็ก็เลยมีคนมาขอให้อยู่เป็นที่ พระเจ้าก็เลยบัญญัติเรื่องของการอยู่เป็นที่อยู่ในช่วงสามเดือนนี้ขึ้นมาในสมัยพุทธกาลเลยใช่ใช่ใชซึ่งเราก็ยังทํากันอยู่ในปัจจุบันพระสงฆ์ในทีนี้คราวว่าบางส่วนก็อาจจะอาศัยช่วงเวลานี้แหละในการที่เรียกว่าอ้าวสามเดือนนี้ฉันอาจจะมีข้อปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นนะที่จะทําตามพระสงฆ์ก็สามารถทําได้นี่เราก็ไม่ห้ามคือคุณทําความเพียรเวลาไหนอดีแน่นอนจ ะ, จะนอกพรรษาก็ได้ในพรรษาก็ได้นะทีนี้ในเรื่องของพระสงฆ์นิดนึงก่อนว่า พระสงฆ์ก็จะไม่ได้อนุญาตให้เดินทางไปไหนในช่วงสามเดือน น, นนอกจากว่ามีเหตุนะที่สําคัญสำคัญอยู่เจอย่างะไปได้เช่นพ่อแม่ป่วยหรือว่ามีกิจที่จําเป็นที่เขาหนิมนต์ไม่ไปไม่ได้อย่างนี้ก็ได้หรือกรณีที่มีคนที่จะต้องสึกษาละเพศเราไปช่วยได้เราก็สามารถเดินทางไปได้ไม่เกิน7จ็ดวันทีนี้ตรงนี้มีประเด็นตรงที่ว่าพระหลายๆรูปเนี่ยที่อยู่จำพรรษาในบางที่เนี่ย ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหอยู่เหมือนกับอยู่ในคุกในอยู่ในคุกคือว่าตัวเองไปไหนไม่ได้นไปได้ไม่เกินเจ็ดวันะจะไป <Okay. S 1> เที่ยวที่ไหนสักเดือน2เดือนไม่ได้ะจะไปอยู่ที่ตรงวัดนั้นสักอ า, อาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้ น, นได้มาสุดเจ็ดวันถ้าไม่มีเหตุถูกต้องไปไม่ได้ด้วยซ้ำํำที่พอออกเป็นษาแล้วก็รู้สึก <Okay. S 1> ลิงโลดละลิงโลดละว่าแหมจนจะได้ไป <laughs> นั่นไปนี่ละนะ จริงๆแล้วต้องพูดตรงนี้นะพูดถึงเกี่ยวกับประสงค์นิดนึงว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสอันนี้ส่งของการอยู่เป็นที่เนี่ยว้มากจริงๆนะอย่างน้อยมี5ข้อเนที่จะทําให้ไม่เป็นผู้ทําการให้ลําบากด้วยคือคือคุณต้นใจลองจิต ด, ดุคุณตนใจทํางานเนี่ยบางบางทีเนี่ยมันต้องมีการเดินทางนะเดิน <chu pop. S 1> าทางบางทีหนึ่งไปทีหนึ่งเนี่ยมันสาสี่ประเทศนะสาสประเทศนี้แค่สองสัปดาห์หรือสัปดาห์เดียวอย่างเงี้ยเพราะการเดินทางอยู่เรื่อยการเดินทางอยู่เรื่อยเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้ตัวเองเหนื่อยเปล่า นะเราต้องเก็บกระเป๋าเราต้องเดินทางติดต่อผู้คนตรวจสอบเส้นทางามีตัว๋วมีอะไรมันเป็นการทำที่เหนื่อยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ห้องน้ำการกินอยู่การหลับนอนสิ่งแวดล้อมโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงไปหมดทาให้เรามีความเป็นอยู่ที่ยากพรนะเจ้าจึงไม่ได้ยกย่องของการเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายนะแต่ยกย่องการที่อยู่เป็นที่เพรานะะนั้นสารบประสงค์ีนอยู่เป็นที่ในะยังไงมันดีแน่นอน นีไม่ใช่ว่าเราออกพรรษาแล้วเราจะมีความรู้สึกลิงโลดว่าฉันจะได้ไปจากที่นี่สักทีไม่ใช่อย่างนั้นนี่คุณอยู่เป็นที่เนี่ยดีแน่แต่ทีนี้มันก็ต้องมาถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะตัดสินใจยังไงว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทํำยังไงต่อไปอันนี้จะเกี่ยวข้องกับคารวะด้วยอยสมุติก็ปฏิบัติอันใดอันหนึ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนีคุณบอกว่าในช่วงบรรษาฉันทำแบบนี้ในทั้าประสงค์เนี่ยบางวัดในในพรรษาเขาก็สวดปริโมกษันนอกพรรษาไม่ได้สวดบางวัดบอกว่าเออในพรรษาฉันทำวัดเย็นว หรือว่าบางคนก็บอกว่าในภาษาฉันไม่กินเหล้า น, น, นอกภาษาฉันจะกินในใ น, น, น, น, นภาษาฉันจะกินเจนอกภาษาฉันจะไม่กินอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เราจะรู้ได้ไงว่าเอะเราจะทําต่อดีไหมหรือเราจะทําอะไรหรือทําแล้วจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะพระเจ้ามีวิธีการให้พิจารณาอยูนะ่ถ้าพูดถึงสถานที่ก็คือว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปนะจะออกภาษาแล้วคุณจะต้องตัดสินใจนะคุณจะอยู่หรือคุณจะไปนะวิธีการตัดสินใจมีอย่างนี้ไม่ว่ากิจสิ่งที่คุณทําอยู่ข้อปฏิบัติที่คุณทําอยู่นั้นหรือสถานที่ที่คุณอยู่นั้น นะถ้าเผื่อว่ามันทําแล้วเนี่ยนะทำไปแล้วเนี่ยอยู่ไปแล้วเนี่ยนะจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นนะอาสะวะที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้นะแถมเรื่องปัจจัย4ี่ต่างๆก็หายากด้วยนะถ้าพูดถึงที่อยู่เนี่ยที่นั้นก็ไปบิฏิบัติก็ไม่ได้นะอาหารก็ฝุดเคืองนะมีความแห้งแล้งถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติก็คือว่าแม้เราปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันใช้ชีวิตยากนะปฏิบัติแล้วอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคือปัจจัย4ี่ฝุดเคืองแต่ว่าจิตใจเราดีคือจิตใจเราก็ไม่ดีด้วย นะมีความฟุง้งซ่านมีความจิตไม่เป็นสมาธิอย่างนี้นะให้เลิกสาะอย่าทำานะให้เลิกให้เปลี่ยนยนะให้เปลี่ยนที่อยู่พระเจ้าให้ย้ายที่อยู่เลยนะคือถ้ารู้สึกอย่างนี้เวลากลางคืนให้ไปกลางคืนรู้สึกอย่างนี้เวลากลางวันให้ไปกลางวันนะอย่าอยู่ต่อไปเลยรู้สึกเมื่อไหร่ไปเมื่อนานนะเจ้าค่ะใช่ใชอันนี้ ค, คือวิธีการตัดสินใจนะข้อที่ 2, 2> ก็คือว่าถ้าผมว่าเร า, เาปัจจัยีดีนะแต่ว่าการภาวนาไม่ดีการภาวนานี่หมายถึงว่า จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสาว า, าที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้นะคือทําแล้วจิตเราก็เหมือนเดิมอ่ะเอ๊ก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปทําไมเราจะทําไปทําไมนะพระเจ้าก็ให้แผนว่าเราจะเลิกทําเมื่อไหร่นะอันนี้กําลังพูดถึงว่าคุณทําจริงๆจังๆนะไม่ใช่ปรารบความเพียรเหลวซ้ำนะคือทําแบบนิดๆหน่นอยๆทําแบบพอสาบานนะ้ำไม่ตายแล้วบอกว่าฉันทําแล้วไม่เห็นได้ผลเลยเลิกให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่าเจ้าค่ะธรรมะที่พระเจ้าประกาศไปแล้วเนี่ยมักจะได้ผลเสมอ เราทดสอบดูได้ถ้าเราทําความเพียนอย่างจริงๆจังๆไม่ทําความเพี่ยนเรนะ็วซ้ำนะเราก็พอเราทําดูแล้วเนี่ยเราเราอยู่ที่นี่ดูแล้วเนี่ยเราพบว่าเออมันออประจิตใจดีอยู่แต่ว่าการพาวา้ำไม่ดีแล้วก็วางแผนว่าจะไปเมื่อไหรนะ่แต่ถ้าผมว่าเราทําไปทําไปอันนี้คือข้อที่3าที่เกณฑ์นในการตัดสินใจข้อที่3ก็คือว่าถ้าผมว่าจิตใจเราดีขึ้นนะจิตที่ยังไม่ตั้งมันก็ตั้งมันขึ้นมาอาสวะที่ยังรับไม่ได้ก็ละได้ไป แต่ว่าปัจจัยสี่ไม่ดีนที่นั้นเนี่ยควรอยู่ไปเรื่อยๆผู้ชาวบอกควรอยู่ไปเรื่อยๆเจอย่างประสงค์จำพรรษาที่นี้ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าปัจจัยสี่ไม่ค่อยดีแหละแต่การภาวนาของฉันดีนให้คุณอยู่ไปเรื่อยๆเลยะะอย่าแผนอย่าไปวางแผนว่าออกพรรษาแล้วจะไปไหนดีไม่ต้องคิดเลยเพราะอยู่ที่นั่นดีแล้วยึดเอาเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติเป็นหลักใช่แล้วถ้าเผื่อว่าดีทั้งสองอย่างคือทั้งจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละได้ นะแล้วแถมปจัจจัย4นี้ก็ยังมีพอมีพอกินนะพอประทังชีวิตให้เป็นไปได้ไม่ลําบากไม่อตัตคัดนะโอโหนี่ให้อยู่ไปตลอดชีวิตเลยนะให้อยู่ไปตลอดชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีข้อปฏิบัติของคารบาสก็เหมือนกันนะถ้าบอกว่าเราปฏิบัติแล้วเออจิตใจเราดีขึ้นแล้วเราปฏิบัติแล้วเอ๊การการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ของเร า, เราก็สามารถทําได้นะเอาก็ให้คุณทําไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นถ้าพูดถึงการไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณไม่ดื่มเหล้ารู้สึกว่าเออ จิตใจเราก็สบายฮะล้วก็เราตังเรก็ไม่เสียนะแล้วก็มันไม่ได้หายากด้วยเราก็กินอย่างอื่นแทนก็ได้กินน้ำโกกน้ําแหล่งต่างแทนน้ําเปล่าก็ได้น้ําแป๊บซี่ก็ได้อย่างเงี้ยนะเอ๊ะมันก็อยู่ได้เหมือนกันแน่เออเงินก็ดีดีด้วยเอางั้นควรปฏิบัติไปตลอดชีวิตเลยว่าอ่างงั้นเนาค่ะอันนี้คือประเด็นที่ที่หนึ่งที่พูดถึงว่าเอเราจะคิดว่าเหมือนกับว่ามันจะเปิดประตูจะเปิดแล้วนะเตรียมออกเต็มที่เลยนะ อย่าเพื่งอย่าเพิ่งนะคุณต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อ น, นทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าผู้ที่ปฏิบัติอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยวันที่ออกพรรษาเนี่ยก็เป็นวันที่มีการประวัตนาด้วยประวารณาเนี่ยหมายถึงอะไรนะประวัรณาถ้าสำหรับคารวาสทํากับพระสงฆ์ก็คือการออกตัวประวัตนาคือการออกตัวนั่นแหละให้รับใช้ได้ให้ขอได้ถ้าต้องการสิ่งใดก็บอกได้อย่างนี้ คือการปร hm านาคือคารวะปรานากับพระสงฆ์แตถ้าพระผูสงร์ปราณากับพระสงฆ์ก็หมายความว่าออกตัวให้ท่านเนี่ยตำหนิติเตียนหรือกล่าวโทษหรือว่าตักเตือนสั่งสอนเราได้นะคือหมายถึงคารวะก็ออกตัวอย่างนั้นได้นะสมมติเราเป็นลูกศิษย์ของพระองค์เนี่ยเราก็ออกตัวให้ท่านเลยเธอถ้าผมว่าผมทาอะไรผิดดิือฉันทำอะไรผิดขอให้ท่านว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นการปรานาชนิดที่ไม่ให้ตักเตือน อันนี้ก็คือต้องทําวันวันสุดท้ายของการออกปรรษาคือการประวัตินาในประนัะ้นพระสงฆ์เนี่ยก็จ ะ, ะจะลุกขึ้นยืนนะลุกหมายถึงว่านั่งนั่งหยองหยอเนี่ยนะหมายถึงว่านั่งคุกเข่านะแล้วก็ประกาศตัวขึ้นมาว่าทุกท่านมีใครทําต้องการจะกล่าวโทษโจดหรือว่าตักเตือนกระผมไหมอย่างเงี้ยคนก็ถ้ามีก็จะพูดออกมาถ้าไม่มีก็ผ่านใบนั้นไล่มาตั้งแต่หัวแถวจนถึงท้ายแถว ตามภาษาเนาะเพราะฉะนั้นคือคือตรงนี้เป็นกุศลบายที่ดีมากๆเลยว่าเอ๊ะอยู่ด้วยกันมา3เดือนเนี่ยคุณปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้มา3เดือนเนี่ยหรือคุณอยู่ที่นี่มา3เดือนเนี่ยคุณพิจารณาไหมว่าคุณอยู่มาแล้วเป็นยังไงนะมีการมาคิดทบทวนไครครวนดูไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมเราอยู่แล้วดีไหมเรามีการทําความดีการทําความชั่วอะไรเราต้องมีการมาทบทวนบางทีตัวเองคิดไม่ออกนะต้องให้คนอื่นมาช่วยชี้มั น, นเพราะฉะนั้นไอ้สำหรับคารวาสเนี่ย จริผู้ชายก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้นะแต่ละมาคิดว่าถ้าใครจะลองทําดูก็ดีเหมือนกันนะว่าถ้ามีให้คนอื่นมามาดูซิว่าฉันทำมาสามเดือนเนี่ยเธอว่าดีไหมเจ้าค่ ะ, ะหรือว่าเธอว่ายงงอย่างไงอย่างเงี้ยก็จะเป็นการดีที่พูดถึงข้อปฏิบัตินั้นๆของเราอย่างสมมติเราไปเราบอกเราไม่กินเหล้าสามเดือนเนี่ยอลองไปถามแม่ดูดีไหมถ้าแม่ว่าดีเราก็ควรทําต่อนะเจ้าค่ะจริ ง, รงๆเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ <laughs> ที่ห้ามลูกเสียจากบาปด้วยเจ้าค่ะ แล้วยิ่งโดยเฉพาะภรรยานะเจ้าคะกับลูกๆนี่คงจะดีใจถ้าหากว่าคุณพ่อเนี่ยเลิกดื่มเหล้าได้นะเจ้าคะแทนที่จะปีหนึ่งเนี่ยเลิกแค่สามเดือนแต่เลิกตลอดไปเลยนี่ก็จะถือเป็นของขวัญที่ดีมากกับลูกๆนะเจ้าคะใช่แล้วก็ <c oughs> พอพอวันสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าแหมไปฉลองเต็มที่เลยนะ <c oughs> ไปกินให้มันเป็นสามสี่เท่าของที่อดมา <c oughs> อย่างเงี้ยมันก็ก็คือเราต้องเป็นการวิเคราะห์ตรงนี้ ใครควรพิจารณาดูว่าเอ๊ะที่เราทํามาเนี่ยมันมันมันเราทําถูกไหมเว อ, องทีบางคนเนี่ยก็ปราลบความเพียรเหลวสามในอย่างเช่นว่าในช่วงพรรษาประสงค์เนี่ยอาจจะทําความเพียรมากขึ้นเนี่ยตั้งใจว่าจะไปทําวัดเช้าวัดเย็นหรือตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิเวลาเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงแต่สามเดือนเราผ่านมาโอ้โหฉันไม่ได้ทําเลยทําเนี่ยแบบว่านิดนิดหน่อยหน่อยทำก็แกล้งทำกี้กี้ก๊อกๆ๊อกทำแบบพอขอไปทีอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งก็เลยต้องต้องทําความมาทบทวนตัวเอง เนะต้องไปปวารณาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะพระเจ้า ใ, <ช>ให้เวลาไว้ยเยอะมากเลยนะคือในขณะว่า ง, งดปฏิโมกงดสิ่งที่ต้องศีลของพระเนี่ยที่ต้องทบทุนทุกสิห้าวันเน่ยงดเลยวันนั้นทําสั้นๆพอแ ล, แล้วให้ใช้เวลา ใ, <ช>ในการปรวารณาให้ใช้เวลาในการที่จะคอยตักเตือนกันแต่เนะพราะว่าเพราะสมัยก่อนมันมีเรื่องมาตรงนี้ว่าพระเนี่ยอยู่ด้วยกันสามเดือนนะแต่ปรากฏว่าไม่พูดกันเลยนะสมาานเขาเรียกว่าครอบปฏิบัติที่ไม่พูดนะมุขวัดอย่าง พอ<ด>สมทานข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามุขวัตไม่พูดกันไม่สนทนากันพระพุทธเจ้าตำหนิเลยว่าเอา้าทําไมทําตัวเหมือนปัสสุสัตว์ล่ะนะปัสสุสตัตเนี่ยมันอยู่คอกเดียวกันมันไม่พูดกันนะมันไม่ดูแลกันนะไม่ได้ภิกษุ์เนี่ยต้องดูแลกันต้องคอยบอกกล่าวตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและกันเตือนกันให้พ้นจากความผิดในถึงจะถูกต้อง อืมเจ้าค่ะก็จะทําการปรณาการในวันออกพรรษาก็คือขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดของทุกๆปีนะที่จะถึงอยู่อีกสองสามวันนี่แหละอเจ้าค่ะนะแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับคารวะเองนะอาจจะไม่มีใครมาคอยติดเตียนกล่าวโทษหรือว่าตักเตือนคุณใช่ไหมเราต้องมาใคร่ครวญพิจารณาดูตรงนี้นีซึ่งบางบางวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีก็คือหมายว่าแม้แต่พระสงฆ์เองเนี่ยนะ บางวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีการทําที่เป็นรูปแบบอย่างที่พู้เช่าบัญญัติเอาไว้นะคแค่ทําแบบพูดตามหนังสือแล้วก็ผ่านานไปจริงๆแล้วมันมีแง่มุมตรงที่ว่าเราควรจะต้องอาศัยโอกาสเนี่ยในการไปขอปราวาราณากับคนอื่นเลยนะเอาสาเดือนที่ผ่านมานะอยู่ด้วยกันทนะ่านมีอะไรที่จะกล่าวโทษไหมท่านมีอะไรที่จะต่างเตือนผมไหมอย่างเงี้ยนะเป็นโอกาสดีที่จะมาคอยทบทวนคอยไข่ครวญดู ว, ว่าเออแมสามเดือนผ่านมาแล้วนะ คุณทําอะไรดีขึ้นมาในชีวิตคุณไหมหรือว่าคุณมีข้อผิดอะไรที่คุณเองเขาเห็นหรือเปล่าแต่เราได้ตรงนี้มาเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีมากาคุณตื่นใจที่ที่เราจะจะปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นเนี่ยค่นะอันนี้ก็เจกเช่นอย่างที่พระอาจารย์ฝากถึงบรรดาคารวาสเราด้วยนะเจ้าคะ่ะว่าใครที่ตั้งใจทําความดีในช่วงข้าพันศานี้ถึงแม้ว่าในวันสุดท้ายของวันออกพรรษาซึ่งประสงค์ มีกฎ ร, ระเบียบตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้หรือกำหนดไว้ก็คือให้มีการปรณนานะเจ้าคะให้คนอื่นมาถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือเหมือนกับมาประเมินเรานั่นเองว่าเราทำเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรใ ช, ใช่ใช่ให้คะแนนเจ้ค่ะนะเจ้าคะ่น ะ, คะทีนี้ พอดีก็ประจบเหมาะกับมีท่านผู้ฟังหรือว่าท่านที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเจ้าคะได้เรียนถามมากราบนัสการถามพระจันทร์ไพบูรณ์มาใช้นามว่าคุณรันดีนะเจ้าค ะ, ะรบกวนเรียนถามพระจันทร์ไพบูรลมายมก็เลยขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาถามตรงนี้นะเจ้าคะ่ะเพราะว่ า, เ, า, วาเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการคุยของเราในวันนี้ก็คือว่าถ้ามีคนรู้จักคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามา ก, มากๆเลยเกือบทุกวันเลย คุณรันดีก็ถามว่าเราจะไปพูดยังไงดีถึงจะให้เขาเลิกดื่มเหล้าได้หรือว่ามีวิธีการชักชวนให้เขาเลิกได้อย่างไรอันนี้ก็กราบนบสการถามมาก็นิมนต์พระอาจารย์ไปบุญได้เมตตาชี้แนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเทวพรพูดถึงเรื่องเหล้าเรื่องสุราที่บางคนอาจจะเว้นมาในช่วงพรรษาแล้วทีนี้ว่ามีความคิดว่าฉันจะไปเสพอีกเนี่ยนะก็เราก็ต้องประเมินตัวเองแล้วนะว่าเราจะเสพอีกดีหรือไม่ ประเด็นก็คือว่าเรื่องของเหล้าเนี่ยพระเจ้าพูดถึงโทษไว้เยอะมากนะเยอะมากนี่ก็คือมีอย่างน้อย6ข้อนั่นะคือเป็นเหตุให้เสียทรัพยนะ์แล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้เสื่อมจากมิตรนะเป็นเหตุที่ทําให้เสื่อมพลังปัญญาเป็นต้นอย่างนี้นะค่ะ ท, ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วทุกคนที่กินเนี่ยแล้วถามว่าเขาชอบกินด้วยหนะึ่งกินกับทุกวันเลยเอ๊ะเราจะพูดยังไงเขาเลิกนั่นะคือเราเคยเห็นหลายคนคุณตนใจที่เขาคนกินมาเป็น10บสปี20ปีนะจนเป็นโรคแล้วเนี่ย สุดท้ายหมอบอกว่าคุณเป็นโรคตับแข็งนะถ้าคุณไม่เลิกเหล้านี่คุณตายนะปุ๊บปรากฏว่ากลับบ้านนี่เลิกได้เลยเออืเจ้าค่ะเออทําไมเป็นงนะั้นต้องให้หมอมาเตือน ต, ตั้งที่หมอก็ไม่ได้บอกต่างอะไรกับแม่ยายหรือว่าเมียก็บอกเหมือนกันมาให้เลิกเหล้าแลนะแต่จนกระทั่งร่างกายมันมันไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่งั้นจะตายเจ้าค่ ะ, ะออคุณเลิกได้ทันทีปุ๊บเลยเพราะอะไรคุณตือนใจว่าทําไมเอ่อสิบปีก่อนเมียก็บอกแม่ยายก็บอก แะจนสิปีให้หลังหมอบอกเหมือนกันแต่คุณเลิกได้ไงเจ้คาค่ะคุณเตือนใจว่ามันต่างบ้างอะไรมันต่างกันเพราะว่าหมอจะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เลิกนี่คุณตายเจ้คาค่ะคนเรานี่มักจะกลัวความตายนะเจ้คาค่ะ น, นั่นจริงไหมเจ้คาค่ะถูกต้องคือเห็นโทษอย่างเต็มเต็มตาสองข้างเลยเจ้คาค่ะเห็นโทษเต็มเต็มเห็นโทษเมื่อไหร่มันเลิกได้มันนั้นนะ่อย่างบางคนน่ะหลายๆคนเลยนะดูบุรี่นะคุณอนใจดูบุรี่นี่ยตัวเองดูบุรีปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเป็นสิบปียี่สิบปี นะพอมีโรคโตขึ้นมาให้ลูกมันเอาของเราไปดูดบ้างไว้โอ้โหเห็นคแค่เนี้ยปุ๊บเลิกเลยเลิกเลยโยนทิ้งเลยนะมันเลิกดูดลูกก็ไม่โดดนะเพราะว่าเห็นโทษไงเห็นโทษว่าถ้าลูกดูดเนี่ยโอโ้โหมันมันไม่ดีนะเนี่ยเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราเลิกซะอย่างเงี้ยก็ไม่ไปดูดดีก็มนะีเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่ากลับมาที่เรื่องเดิมเลยคนเดินใจที่เราคุยเมื่อวาน แลคุณต้องเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษบ่อยๆแล้วคุณจะวางมันได้ไ uh, ม <|ja|> ่มีประโยชน์พอไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเสพไปทําไมไม่เห็นประโยชน์ว่าจะกินไปทําไมไม่เห็นประโยชน์ว่าจะยุ่งกับมันไปทําไมเนี่ยมันก็เลิกตอนนั้นเองอย่างพระสงฆ์ก็ตามไม่เห็นประโยชน์ว่าเออคุณจะมากลับไปครองเพศคารวะทำไมมันประโยชน์น้อยมันก็เลิกได้ไม่ต้องทําอย่างนั้นได้หรือเราเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างของเด็กเล่นอย่างเงี้ย ที่เราเคยมีอยู่เกมกับคอมพิวเตอร์เล็กๆตัวตุ๊ ก, กตุนตุ๊กตาลูกคางรถจักรยานสามลอ้อพวกนี้เฮ้คุณเลิกมาได้งไงเนื่เพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ของจริงมันมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเล่นอีกเช่นเดียวกนนันเราต้องให้เขาเห็นโทษถามว่าเฮ้เราจะไปบอกให้เขาเห็นโทษอ่ะก็เมียก็บอกอยู่แม่ยายก็บอกอยู่เป็น10บสปีเอ่ทาไมก็ไม่เลิกอ่ะคุณคุณตื่นใจว่าพราอะไรทําไมหมอบอกถึงเลิก คิดโทว่าเขาอาจจะอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดก็คือเขาเห็นโทษเต็มๆอ่ะเจ้าค่ะเห็นโทษว่าอันนี้นี่ไร้ายแรงถึงขนาดเรียกว่าจะสิ้นชีวิ ต, ต<า>ทีเะียเจ้าค่ะก็ก็จะเลิกได้แต่ก่อนหน้านี้นี่นอาจจะยังมัวเมาติดอยู่กับตันหามังะะ้งเจ้าค่ะยังชอบเสพอยู่อะไระะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยังยังแบบยังหลงงมงายอยู่ตรงนั้นนะเจ้าค่ะว่าเดืมที่ไรก็สนุกทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่ค่ะทีนี้จะทําให้เขาเห็นโทษเนี่ยต้องทํำยังไง ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณมันมีอยู่สกรณีนะมีอย่างน้อยอ2ออกรณีนั้นคือกรณีแรกเนี่ยเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นได้ตัวเองทำยังไงเราถึงจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตัวเองนั้นก็คือบางทีคุณเขาไปนั่งสมาธิหรือว่าเขาไปเห็นตัวอย่างในเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันที่มันมันไม่ดีอย่างเช่นว่าลูกเราเองอายุ5้ขวบหกขวบเอาบุหรี่เราไปสูบอย่างเงี้ยไอ้เ น, นี้มันเห็นโทษ ตามตาเลยนะหรือว่าบางทีเราไปนั่งสมาธิเราใคร่ครวญปล่อยวางเห็นโทษต ร, ตรงนี้ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆดูหนังบางเรื่องมีอ่านหนังสือบางเล่มนะได้กําลังใจขึ้นมามันก็ทําให้เห็นโทษได้อันนี้คือตัวเองพึ่งตัวเองได<ช>นะ้หรือว่ากรณีที่สองก็คือว่ามีเพื่อนดีนะเพื่อนคือคนเป็นๆหัวดําๆนี่แหละนะที่คอยชัก ช, ช, ชวนเรานะว่าไอ้ให้เลิกนะพอคอยชักชวนเราเนี่ยคือเป็นกระแลนามิตรน่นแหละ นะคือถ้ามีกาลนิมิตเนี่ยมันชวนกันไปดีได้อนะย่า ง, งคนที่กินเหล้าเนี่ยคุณเตนใจมันอยู่ที่ว่าคนคนที่กินเหล้าครั้งแรกเลยฝึกกินเหล้าครั้งแรกเลยเนี่นะตั้งแต่สมัยเรียนยอยู่มันก็คือเพื่อนชวนอะ่ะเพื่อนชวนไปก็กินตามเพื่อนชวนไปก็สูบตามเพื่อนชวนไปก็ปกทําไม่ไดีตามแต่เพราะฉนั้นพอมันเพื่อนชวนมันก็เลยทําไม่ดีแต่ถ้ามีเพื่อนที่ชวนชวนกันไปทําดีนะเช่นว่าอาชวนไปตั้งวงเหล้าหรือไปกองเหล้าเอาก็ชวนกันไปเล่นกีฬานะชวนไป จะชวนไปสุบบุรีชวนไปทำไม่ดีชวนไปเล่นไปกินไปดื่ so มก็ชวนกันไปเป็นอาสาสมัครชวนกันไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้าชักชวนกันไปดีเนี่ยมันดีได้แต่เพราะฉะนั้นถามว่าเจ้าของคําถามคือคุณรันดีเนี่ยที่ถามว่าเออเราจะชักชวนเขาได้ยังไงถามว่าคุณเนี่ยจะชักชวนเขาได้ไหมแต่ถ้าคุณชักชวนไม่ได้คุณต้องเอาคนที่ชักชวนเขาได้มานแตคือบางทีเขาไม่ฟังคุณหรือเขาไม่มีศรัทธาในสิ่งที่เราพูดแต่ก็ต้องไปหาคนที่เขามีศรัทธา เป็นคนหาคนที่เขาคุ้นเคยไปหาคนที่เขาจะฟังเนี่ยให้มาพูดกับเขาอันนี้ก็เป็นกรณีที่สองนะเจ้าค่ะนะหรือกรณีที่หนึ่งก็คือให้เขาเห็นได้ด้วยตัวเองเราอาจจะชวนเขาไปปฏิบัติธรรมเราอาจจะเอาหนังสือดีๆให้เขาอ่านหรืออาจจะให้เขาเห็นโทษอย่างสักด้วยกุศโลบายสักกุศโลบายหนึ่งเี้าค่ะ อ, อาจจะพาไปดูโปสเตอร์ของโรงพยาบาลนะเจ้าคะ่ะถุงลมปองพอ ง, อ, งะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่เป็นเจ้าค่ะเจ้าคะ่ะอันนั้นก็อาจจะได้ ข้คิดเหมือนกันนะเจ้าค่ะใช่เดี๋ยวนี้แต่สมัยนี้เขาเอารูปอะไรนักลวนนักกลัวมาติดตรงซองบรินะคนก็ยังไม่มองนะเจ้าค่ะการแบบเป็นมาลงมาเรีงอะไรอย่างเงี้ยมองเข้าไปก็คงจะลดได้บ้างอ่ะคุณดายใจลดได้คือจำนวนหนึ่งะคะอืมคือลดได้จำนวนหนึ่งคือหมายความว่าการทวนกระแสเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะนะคือคือทำเนี่ยมันดีอแต่มาว่านะคือหมายความว่าคือบางคนเนี่ยมันก็บุรุษชาบอกไว้อย่างนี้ว่าต่อถึงแม้จะได้เห็นนะ ถึงแม้จะได้ยินด้วยผได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ไม่สามารถทําตัวเองให้ดีขึ้นมาได้ก็มีหรือมีคนประเภทที่2ก็คือถึงแม้จะไม่เห็นถึงแม้จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าเลยเขาก็เป็นคนดีขอเราอยู่แล้วอันนี้เป็นคน2ประเภทนี้มีในโลกแล้วก็คนที่3มก็คือว่าต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นคนดีขึ้นมาอันเนี้ย ก็เป็นคนประเภทที่สามนะคือคนประเภทแรกเนี่ยหมายความว่าต่อให้เราจะบอกแค่ไหนจะเอาอะไรให้เขาดูจะชักชวนเขาเป็นอะไรมันก็ยังช่วยอยู่ดีมันก็ยังเป็นคนช่วยอยู่ดีก็มีในโลกอันนี้คือพวกที่แบบช่วยไม่ได้เลยต้องให้มันจมไปในนรกหรือว่าประเภทที่สองก็คือว่าถึงแม้เราจะไม่บอกเขาถึงแม้เราจะไม่ชักชวนเขาเขาก็ไปดีอยู่แล้วนะอันนี้คือยังไงมันก็ดีโดยเป็นปกติธรรมชาติของเขาโอ้อันนี้เป็นคนดีเราควรจะต้องคบกับเขาด้วย ส่วนประเภทที่3เนี่ยคือเป็ประเภทที่สำคัญที่เราเราควรจะช่วยนะเพราะว่าถ้าเขาถ้าเราไม่ช่วยเขาถ้าเขาไม่ได้ยินคำสองพระเจ้าเขาจะเป็นคนไม่ดีต่อเมื่อได้ยินคำสองพระเจ้าต่อเมื่อมีกระบวนการการทวนกระแสะเขาถึงจะดีขึ้นมาได้อันนี้เรายิ่งจำต้องช่วยเรา ช, ช่วยเนี่ยนะเราช่วยคนประเภทนี้เราไม่ได้ช่วยคนประเภทแรกนะเพราะมันช่วยไม่ได้เราไม่ได้ช่วยคนประเภทที่2อเพราะเขาดีอยู่แล้วแต่เราช่วยคนประเภทที่3าตรงนี้ โนะชค่ะรายการธรรมระเบรุนเนี่ยก็เพื่อคนประเภทที่สามตรงนี้เจ้าค่ะอ่าที่เรียกว่าเป็นบัวที่ยังสามารถที่จะมีโอกาสที่จะโผล่คนน้ามาได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่แล้วก็ ค, คือถ้าคนเขาไม่อยากฟังไม่ไม่ฟังเอาซีดีให้เขาฟังเขาก็ไม่ฟังตีห้าไม่ต้องพูดถึงยังนอนแองแงอยู่เนี่ยโชค่ะมัน ก, ก็ก็ไม่ได้ก็ได้เท่านี้นะคนที่เขาแบบว่าต่อจะให้มีรายการหรือไม่มีรายการเขายังลุกขึ้นมาทำความเพียรของเขาอยู่อันนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ก็ดี เพราะนะั้นไอ้กระบวนการที่เราพยายามที่จะ บ, บอกสอนผู้สอนเนี่ยมันทำมันมันได้ผลไม่ได้ผลมันก็ยังได้ผลนะแต่มาว่าได้ผลามากได้ผลน้อยเท่านั้นเองนะก็ทําทก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราชักชวนกันไปดีนะต่อให้ถึงแม้เขาจะจะจ ะ, จะเป็นคนประเภทแรกนะเราก็ยังคงจะต้องชักชวนอยู่ดีน ะ, ะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้สื่อสารกับเขาคนเดียวเราคนอื่นเขาได้ยินด้วยนะแล้วถ้าเผิดคนอื่นที่เขาได้ยินเนี่ย เขาเป็นคนประเภทที่สามะแม่เราจะได้ประโยชน์นะเราจะได้บุญด้วยน ะ, ยะแเราจะกลายเป็นกะณรนี้ไม่กว่าเขานะเขาจะกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ด้วยการอุปการะของเรานะจริงจะดีมากๆทีเดียวอันนี้ก็จะทําให้เรานอกจากจะได้บุญแล้วก็ยังได้รับความสุขใจที่ว่าเราสามารถช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่งให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะจ๊ะ<ช>และสําหรับเรื่องของการทําความดีนิยมก็อยากจะขอเจอีโอกาสใน รายการธรรมารบรุลในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้นะเจ้าคะ่ะที่อยากจะขอกราบน้ำส ก, การพระอาจาร ย, ย์ภบูรณ์อภิปุนโนเจ้าคะ่ะเพราะว่าอยากจะขอความเมตตาท่านได้อ่าพูดถึงเรื่องของการจัดทอดกระถินประจําปีของวัดป่าดอนหายโศกราเจ้าค่ะเพื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านที่มีศรัทธาภาสาธาในพระอาจาร ย, ย์ภบูรณ์อภิปุโ น, โนหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออร์สาธทธิโตฟาโซจะได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลก็อยาก อากจะขอนิมนต์พระอาจารย์ภัยบุญได้เมตตาที่จะชี้แจงนิดเดียวเจ้าค่ะว่ากรถินของเราในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยโยมทราบว่าในวันอาทิตย์ที่สิบเอนะเจ้าค่ะใช่ใชพิธีการอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะก็วันอาทิตย์ที่สิบเอพฤศจิกาเป็นวันกระถิญของวัดป่าอันัยโชคนะก็สามารถมาร่วมได้ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็<า>ในวันจริงๆงานพิธีการกรถิญเนี่ยก็คือก็ต้องเกี่ยวกับผ้าในะที่ว่าเอาผ้ามาถวายพระแล้วพระก็จะ มาตัดเย็บย้ อ, ยอมในการที่จะทําให้สําเร็จเป็นจีวรขึ้นมาแล้วก็ถวายแก่ภิกษุที่มีจีวรคล่ําคร่าที่สุดหรือว่าตามที่ตกลงกันในในอาวาสนั้นๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นบุญเป็นงานที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ทําในช่วงเดือนหนึ่งหลังจากออกปรรษาแต่เพราะฉะนั้นออกพรรษาแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็จะอยู่รับภากตินก่อนเพื่อใช้อา น, นิสงส์เสร็จแล้วก็จะแยกยาก้ยายหรือว่าจะทําอะไรก็อีกร่างหนึง แล้วเป็นเป็นงานสามัคคีที่ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวเท่านั้นเองเจ้าค่ะ ค, ค่ะดี๋ยวเรอยากจะขอถี่โอกาสนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเรียนเชิญชวนค่ะสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านดิฉันคิดว่าเป็นจํานวนหลายพันหลายหมื่นทีเดียวที่ตามรับฟังรายการธรรมาราปรุลแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไพบุตรอภิภุโนและเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสาอาดจิโตหโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนไหโกุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะปีหนึ่งก็จะมีะกระถินประจําปีของวัดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นก็ขอเรียนเชิญชวนลูกหน้าไว้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมีเวลาที่จะเตรียมตัวที่จ ะ, ะวางแผนการเดินทางที่จะไปร่วมงานกระถินของวัดป่าดอนไหโุกนะคะดิฉนคิดว่าอยากจะเชิญชวนทุกขั้นเลยค่ะ อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครก็ไปพบกันที่นั่นนะคะซึ่งตัวเันเองแล้วก็ข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์บางส่วนก็จะเดินทางไปร่วมงาน กรถินของวัดป่าดอนไหโศกเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2555นี้ค่ะก็จะได้มีการทําบุญทอดกรถินกันและสําหรับทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นก็จะมีเรื่องของการตักบาตรซึ่งจะมีพระภิสุกสงฆ์ทั้งวัดเลยนะคะให้เราได้ตักบาตรในตอนเช้าโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรศาสตร์ธิตโภศและพระอาจารย์เพียบุญอภิพุโนโ ค, ค่ะจากนั้นก็จะมีพิธีกรถินอะไรต่างๆตามที่เรียกว่าเป็นประเพณีการ ทอดกระถินนั่นเองนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้ท่านเนี่ยได้ไปดูสถานที่ฝึกอบรมฝึกปฏิบัติธรรมะของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกเตอร์สะอาดทิตโตพาโซและพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนโด้วยเมื่อท่านไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดว่าหาเวลา ที่จะไปะเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งที่ฉันสามารถยืนยันได้นะคะว่าเป็นหลักสูตรที่ดีเหลือเกินถ้าท่านไปเนี่ยแล้วก็ถูกศรัทธาอย่างที่ตัวตนเองหรือว่าขา้าราชการของกรมัรชาสมพันธ์ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสไปร่วม ในการปฏิบัติธรรมของวัดตาดอนไห่โศกซึ่งมีทุกเดือนเนี่ยท่านก็อาจจะได้อะไรดีๆขึ้นมาทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ตลอดไปไม่เฉพาะในช่วงพรรษาเท่านั้นนะคะก็ฝากเรียนไว้พระอาจารย์เจ้าขาเวลาในรายการหมดแล้วโยมก็ขอกราบน้มสักการแล้วกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมสักการลาแล้วก็กราบขอบพระคุณเจ้าขา้าสาธุเจ้าค่ะ